ทานาปารามีทัโนธานาอุปปารา ปิโตมคาวสีราปาราสัมปันโนสีาอุปปาราสัมปันโนสีราปรามตตปาราสัมปันโน เทตรีารุณาอเพคาาลามจัมปันโอิติสบมาคะวเนคามมาปารามีโนเนคามาุปปารา นโนเนฆมาปะรัมตะปะรามิปันโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเบกขาปะระมิจามปันอิติปสโตมกวา ปัญญาปารามิปัญโนปัญญาอุปาปารามิโนปัญญาบรมตาปารามิโนเมตัมไตรกะรุณ ปาลามิปันโนอิเปิสมะฆาวะวิริยาปารามิวิริยาอุปปารามิปันโวิริยาปารมต ตามตริกรุณาโมติตาอุเบกขารามิสามปันอิเตปิโสมาฆวะคันติรามิสามปัน ชาปารามิสามปันโนตาไมติกรุณาคาปาามิสามปันโนอิติปิสมะคะวัจจามาปา จามตถปาลามีปันโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเขาปาลามีจมโนอิเปิโสมาคะวะอาทิทานาปาลามีา อทิตทานาปปาลามิสามปานโนอาทตทานาปรมาตาปารามิสามปานโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเปคาปารามิสม โนยติปิโสมฆาวะเมตตาปาลามสมปันโนเมตตาอุปปาลามสมปันโนเมตตาปรมตาาสมปันโนเม ตาไมตรกรุณามมทิตาอุเบกขาปารามีจามปันนอยทิปิโสอเปกขาปารามีจปันอเกขาอุปปาลามี อุเปคถาปารมาฉาปาลามิจามนโมเมตตาไมตรีการุณาอุเปคถาปารามิจามนอิติปิโสมะขวาทัตาปารามิ โนตัสสุปปาลามสัมปันโนตัสสัรามัตตาปาลามสัมปันโนเมตตามิตริกรุณาิกาุเปาลามสัมปันโนอิปส พะกาังสารนังกจามิมังสรนังกาจามิสังฆสรนังจามินม นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม<ถ>พ <millor. S 1> ุทธะข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอาริยสง์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อม บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิได้ที่สังสมที่เสียสระสังสมบรมี์สามสิบทัศอันหาประมาณมิได้ข้าพระเจ้าขอกราบนอบน้อม บ, บูชาพระคุณข้าพระเจ้าขอกราบนอบน้อมพระพุทธปฏิมากรรมซึ่งเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้าพระปฏิมากรรมนี้เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิต บอกให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าพระศาสดาได้สละขันทภาละให้แก่พยามาณแล้วซึ่งพยามาณทุนอ้อนวอนขอให้พระศาสดาปรินิพาน มาหลายสิบครั้ ง, งแต่พระบรมศาสด า, า, สดาก็ทรงอดท น, ท, นที่จักยังไม่ปรินิพา น, น, านเพื่อเห็นประโยชน์ชนแก่พวกเราทั้งหลา ย, าลายข้าพเจ้ า, จาขอบูช า, ชาพระวิริยะที่แรงกล้กา พระขันติที่มั่นคงพระสัจจะที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระอธิษฐานนะที่มั่นคงพระเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลพร ะ, ะ, าาระอุเบกขาซึ่งหาประมาณมิได้พระทานบรารมีพระศีรบารมี ท่าเนคขมารมีมรรพระปัญญาบารมีซึ่งมีอยู่ในกระแสขันของพระองค์แจกจ่ายให้กับข้าพเจ้าทั้งหลา ย, จจายไม่มีวันหมดวันสิ้นมาในวันนี้นนนข้าพเจา้ า, จาของนอบน้อมบูชา ถวายสการะผ้าไตร ย, ยีวรซึ่งเป็นนามิสบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูช า, เ, า, ชาเพื่อนำศีลสมาธิปัญญ า, า, ญญาซึ่งพระองค์พร่ำสอนประชุมในกระแสขัน ประชุมในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหววันนี้พระศาสดาปรินิพานไปแล้วโดยทิ้งขันธภาลาแล้ว ซึ่งมีพาพปฏิมากรรมเป็นนิมิตหมายบอกเหตุให้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าทศศาสดาปรินิพานหน้าที่ตรงนี้ข้าพเจ้าเกิดมาในสุดท้ายปลายหลังได้มีโอกาส นำขันธภาละมาเข้าเฝ้าถวายบางคมบาทพระศาสดามาในปัจจุบันภนี้ข้าพระเจ้ามาไม่ทันในวันที่พระศาสดาทิ้งขันธภาละด้วยความประมาท ด้วยความพลาดพลั้งด้วยความมืดบอดที่ข้าพระเจ้าตามหาภระศาสดาอย่างยาวนานด้วยความเขาจึงไม่มีโอกาสเข้าถึงธรรมพระศาสดาในอดีตที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันนี้นนนข้าพเจ้าจาักมุ่งมั่ น, าานบำเพ็ญสิกขาสา ม, สาสามคือศีลสมาธิปัญญาครอบคูณศรัทธ า, ธาวิรยิรยะสติสมาธิาและปัญญ า, ญญาเพื่อให้เข้าถึงธรรมของพระศาสดา ให้เร็วพันที่สุดสมดังเจตจำนงที่พระศาสดาฝากไว้บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด บัดนี้นข้าพระเจ้ารู้จักประโยชน์ตนแล้ ว, ลวคือการทำตนเองเอให้เข้าถึงธรมงงรม ข, ของพระศาสดาสรณะของข้าพระเจ้าที่ผ่านมายังไม่มั่นค ง, น, คงนับตั้งแต่วันนี้ ข้าพเจ้าจักตั้งมั่นในคุณของพระรัตนาตรัยจากสมาธานศิกขาบทคือศีนสมาธิปัญญาประชุมในกระแสชีวิตให้ติดต่ออย่างยาวไกลเวลาใดหลงลืมสติข้าพเจ้า จะกลับมีสติด้วยการละลึกถึงที่ให้ปฏิญญาณแด่พระศาสดาหน้าที่ปริณิพานแห่งนี้ข้าพเจ้าจากมีสัจบารมีอธิฐานบารมีที่มั่นคงตามรอยบาทรพระศาสดาที่ผ่านมา ข้าพระเจ้ามีสัจจะไม่มั่นคงจึงได้ประสบพบแต่ความทุกข์มาณวันนี้ข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในคำของพระศาสดาแล้วข้าพระเจ้าจะพ่อคูณบารมีสิบที่พระศาสดาฝากไว้ประชุมลงในกระแสใจ อย่างมั่นคงอย่างมีสัจจะไม่ท้อถอยเมื่อเวลาใดข้าพเจ้าเกิดความตณีข้าพเจ้าจะนึกถึงทานบารมีของพระพุทธเจ้าเวลาใดข้าพเจ้าจะประพฤติทุจริตทางกายทางวาจา ข้าพเจ้าจะคิดถึงศีลบารมีเวลาใดข้าพเจ้าติดแน่นในกามคุณจะนึกถึงเนคขมมะบารมีเวลาใดข้าพเจ้าเกิดความหลงจะนึกถึงปัญญาบารมีเวลาใดเกิดความเกียจคาน ข, ข้าพเจ้าจะนึกถึงวิริยะบารมีเวลาใดเกิดความอ่อนแอข้าพเจ้าจะคิดถึงขันติบารมีเวลาใดเกิดความหล่ะหลเาใดหละข้าพเจ้าจะคิดถึงสัจจะบารมี เวลาใดจกไม่ตั้งมั่นข้าพเจ้าจะคิดถึงอธิฐานบารมีเวลาใดเกิดความโกรธข้าพเจ้าจะคิดถึงเมตตาบารมีเวลาใดเกิดความโง่ความคนเขาเวลานั้นจะคิดถึงอุเบกขาบารมี ที่มีปัญญานำหน้าข้าพระเจ้าขอตั้งมั่นบำเพ็ญบรมีตามร้อยบาทรพระศาสดาด้วยความมั่นคงในครั้งนี้ขอให้ข้าพระเจ้าได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมของพระศาสดาได้ครบกรลยาณมิตร และเป็น huh. ส so ัมมาทิฏฐุชาติไปมีโอกาสศึกษาทำธรรมาฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญายานตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงปาณิพานในการนันควรด้วยเธอ สาธุสาธุสาธุกายเยนาวาจายเจสวาบุเดวกำมังปกตามิยัตพุทโธปิการะรันตารีสัม n ุพุทธินามเยวกุกำมังปกตามิยัตหามวิปปานกายเนาวาจายเจสวาสังตมย อิติปิโสภควาราหังสามบุตรวิจารณาสัมโนสุขตโรกาวิดุอนุต ใส่ข้างในใส่ข้างนใส่ขา้ขงางในวามนุษย์สานังพุธธทธะาตสวาคาโตะมะข่าวตาดามัมจานเดติโกอาคาลิโกอเฮฮิพาสิโกโอาโก ภาจักจังเวทิตาโพวินยุยติสุปาติปันโนบควโตสาวกังโกวุจุปาติปันโนภควโตสาวกังโกญาญปาิปันโน มาคาวโตสาวกสังโกสามีจิปติปันโนมาคาวโตสาวกสังโกญาติทางจัตตาริโพเรสายุคาปพเรสัปุการาสพวาคาวโตสาวกสังโก อาวุเนโยวุเนโยนาคินอัญญริกาณิโยอนุตตรังกุญญาตังโลกาสติทิพิโสมควะรหังสัมมาสัมบู เวจาจารณนาสัมปันโนคโตโรกาวิดุคาโนตโรปุริสัจามาสารติสัว์วามานสานังพุทธมคาวาติสวากาโตบาคาวาตาดาม ตานิโกะกาลิกเอหิปัสโกอุปนิโกะจะตังเวทิตาเวียนโยติสุปฏิปันโนทวตสาวะ a ังโ โอจุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโกญาญาปติปันโนคาวะโตสาวกสังโกยะดีดังจะตาริปุริสายุคาเนาตาปุริสปุกการาเอตามากาวะโต ชาวาคสังโฆอาหูเนโยอาหเนโยตากิเนโยกันจริญการนิโยกนตารังปุณตังโรกาสัตติทิปิโสภะกวารหัง มาสัมบุนโนวิจารณาระนสัมคันโนทุกขโตโลกาวิจุอนุตตรโพริสัตดามาสารดิสาจได้ว่ามนุษสานัง โนมภะคะวะติสวะคาโตคะวะตาดัมโมจันทิอากาลิกโกเอหิปะิโกโอปะนยโกปะจตังเวตัมโวิญยหิติสุปฏิปันโน วตวะตาวสังโฆจูปติปันโนมะาวตวะตาวาสังโฆญาญาปัติปันโนะวตวะตาวคสังโฆญมีจปติปันโนมะข่าวตวะตาวคสังโฆญาดทางจัต บริป a ริสายุการิอ a l ริสัพุกาลาเอตัมบากวโตสาวาสะสังโฆอุเนโยปา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 มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเกิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทัง้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเกิดสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะบาคาวะโตอะระหะโตสมมาสมุตติสะนโมตัสสะบาคาวะโต อระหโตสมมาสมบุรดัสาวนโมตัสสะภะคะวะโตอระหโตสมมาสมบุรดาสาพุทธังสรนังคัจามิ ดัมมสงสราณังกัจจามิสังฆังสราณังกัจจามิดุติยามีบุตังสราณังกัจจามิดุติยามีดัมมัง สราหนังกัจามินุดยามปีสังขังสรหนังกัจจามิตาติยามปีพุดทางสราหนังกัจจามิตาติยามปีดำมังสรนังกัจจามิ ตาติยามปิสังขังสรานังคัจจามิอิติปิโสภะข้าวะอรหังสัมมาสัมบุญโดวิจาระนสัมปันโนสุขตโลกาวิโด อนุตตรปุริสัตถมาสารดีสาดนาเดวมนุสานังพุทโธบากวัติสวัาโตบากวตาดัมโม สันเทนติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอภนณยโกปจัตตังเวดิตัมโบวิญโยติสุปาติปนโนมขวะโตสาวกสังโก โอจูปาติปันโนบคาวะโตสาว a กะสังโกยายาปาติปันโนบค a วะโตกะสังโกสามีจิปาติปันโนบคาวะโตสาว k กะสังโก อาหูนโยปาหูเนโยดัคินนโยอันจาริการณนิโยอนุตตรังปุญญังเกตังโลกาสาตติสาธุสาธุดสาุ